พระธรรมเทศนาแผนที่72ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันเดือนสิเอ็ดดับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถของพระพระลงอุโบสถเที่ยงอย่างเก่าวันพุ่งนี้เพราะวันนี้เป็นวัน พระใหญ่เป็นวันสมาทานศีลเป็นวันรักษาศีลของพวกเราแต่หลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดสองวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบพอฉันจังเห็นหันเสร็จแล้วก็รีบไปเยี่ยมป่วยของหลวงพ่อท่านรัตนะที่โรงพยาบาลศรีนคริน จังหวัดขอนแก่นบอกว่าอาการหนักแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่มีอะไรเมื่อวันที่18ปก็มีการทอดกระถินที่วัดปารวมธรรมอำเภอเพนวัดของรันนตรนะพอทอดกระถินเสร็จแล้วก็ทราบว่าพ่อป่วยโย หลวงพ่อของท่านรัตนะป่วยกระทันหันแต่ก่อนหน้านี้เคคิดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ก็ท่านก็ทานอาหารทางสายยางพอท่านเขาถอดถอดสายยางออกก็คงจะชํำลักอาหารเข้าไปในปอดทำให้ปอดติดเชื้อจากนั้น เชื้อโรคเข้าในกระแสเลือดทำให้หัวใจไม่ทำงานแล้วก็พานไปหาไตาด้วยไม่ทำงานไตวายวด้วยหัวใจล้มเหลวท่านก็ได้มรณภาพแบบไม่ขาดคิดเหมือนกันก็เร็วเกินไปแต่ก็ป่วยมานานแล้วละ่ะแต่พอมันโรคตัวนี้ขึ้นมาไข้ขึ้นสูง เาก็เอาไม่ไหวท่าก็ได้บรารณะเมื่อวันที่20สตอนเที่ยง40่สกว่านาทีหลวงพ่อก็ไปจากวัดก็เลยวิ่งรถพอไปถึงขึ้นจะ ก, กำลังจะขึ้นห้องที่ท่านห้อง ICU ที่ท่านป่วยท่านน่ะท่านก็ศูนย์เลย เครื่องช่วยหายใจศูนย์เลยไอ้ข้าวแบเป็นเลขศูนย์ท่านก็คงจะทราบว่าหลวงพ่อมาถึงแล้วท่านก็เลยไปก็คล้ายๆว่าไปแบบหันหลังไวๆแคาอย่างนั้นแหะไม่รู้ไปที่ไหนหลวงพ่อขึ้นไปโอ้เพิ่งไปเดี๋ยวนี้เองครับหลวงพ่อ ท่านหมอกับธนรัตนะกับพวกศรัท ธ, ธาญาติโยมเต็มห้องไปหมดหลวงพ่อเออจะเอายังไงจากนั้นก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นมาในตึกชั้นสิบที่หลวงพ่อไปสร้างหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเผาขึ้นไปแล้วก็ไปจัดให้สำคความสะอาดเรียบร้อย แต่ส่วนลุงพ่อก็เองได้ไปกราบหลวงปู่ทองพูลภูกระแตที่ท่านป่วยไปเห็นท่านก็อสดชื่นดีอาการดีขึ้นมากหายไข้แล้วท่ า, านบอกเรา็ออขอกลับครูบาอาจารย์หลวงปู่เนี่ยจากนั้นก็ได้ตกลงกันว่าจะประชุมเพลิงกันที่ไหนก็ได้หารือกันลุงพ่อก็ได้ถามทั้ง ท่านสุดใจทั้งท่านพระหมอทั้งญาติพี่น้องของท่านรัตนะบอกว่าถ้าจเจ้าไปที่อื่นก็คงจะไกลก็คงจะเอามาวัดรวมทำวัดใหม่อําเภอเพนจากนั้นก็ได้เอาลงมาแล้วก็ได้นำรถนำขบวนมาที่อําเภอเพนเมื่อวันที่ยสจากนั้นก็ได้ตั้งศพไว้ที่อําเภอเพน หลวงพ่อก็ได้พยายามดูตรวจตราความเรียบร้อยว่าจะเดินงานไปยังไงก็ด้หมอบหมายดูแลงานก็ได้นำพระในวัดของเราไปทั้งสิบกว่ารูปไปให้ไปช่วยดูแลการงานวันนี้เป็นวันที่ย2ิบสองแต่พระในวัดของเรานาคำน้อยของเราพระปฏิโมก สวดเปลี่ยนกันสวด ส, สององค์ไปอยู่ที่นู่นหมดหลวงพ่ออุบไม่ได้ต้องเอาพระกลับคืนองค์หนึ่งเพื่อมาสวดพระปฏิโมกเอาไว้ที่นู่นอีกองค์หนึ่งการหลวงพ่อก็ได้กลับมาวันนี้ถึงตอนเย็นก็มาได้ขึ้นมาศาลาเป็นวันพระด้วยนี่แหละภาระทุระของหลวงพ่อที่ผ่านมาวันสองวัน หลวงพ่อได้ไปดูแลจัดงานศพของหลวงพ่อธน ร, รัตนะหลวงพ่อบุญสมจารณะปันโนจรณะสำปันโนพันษาสี่สบเอ็ดอายุแปดสิบหกแล้วก็ตกลงกันจะไปชุมเพลิง วันที่26่ตุลาห้าเจ็ดเวลา16 0หนนแต่จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงคงจะมีการแสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็ต่อไปก็คงจะสวดมาติกาบางสกุลเสร็จแล้วก็คงจะประชุมเพลิงวันที่26 เอาไว้เจ็ดเอไว้จวันตรงกับวันอาทิตย์นนในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายข่าวนี้ตาข้าข่าวหน้าตาเองข่าวนี้เป็นตาของท่านก็พอฟังได้แต่พอมาถึงตาของตนเองไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันก่อนที่จะตายไม่ใช่ธรรมดานะเวทนามันกล้าเหลือเกิน ความเจ็บปวดความทนทุกทรมาณใจของเราจะทนไหวไหมเราจะสู้ไหวไหมเราจะกำหนดใจยังไงในช่วงนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกไว้แต่นนเดิ น, น, นไม่ใช่ว่าจะเข้าสนามรบแล้วจงมางวงเงียเตรียมอาวุธยุธโทโธปกรณเพื่อจะสู้กับ เวทนาแล้วะทหารพยามัจจุราชมันไม่ทันเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมไว้แต่เนิ่นๆฝึกหัดเอาไว้เวลานั่งภาวนามันเจ็บปวดก็เออถ้าเราจะตายยิ่งปวดกว่านี้เมื่อเราอาการจวนเจียนเข้ามาในช่วงนั้นเวทนากล้ามันคงจะมากกว่านี้แต่นี้เราเพียง นิดหน่อยท่านเองอันนี้เราก็พยายามฝืนสู้สู้กับทุกขเวทนาที่มันเกิดกับเรานี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะจทหายาโยมทุกคนภาวนาเอาไว้ชีวิตของพวกเราอย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านรัตนาเนี่ยนะจากไปท่านจากไปเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของพวกเรา อีกสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะไปอย่างที่ท่านนั้นและไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยนหนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยแต่ว่าเมื่อตายไปแล้วของใครของเราเราจะไปที่ไหนใจของเราจะไปเกิดในภพภูมิใดอันนั้นเป็นบุญกุศลบุญบา ร, รมีของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ได้สั่งสมมาได้เก็บหอมรอมริบมา แล้วได้ฝึกฝนตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนเนะนี่แหละการเป็นเป็นการเป็นการตายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดย้ำแล้วย้ำอีกคราวนี้ตาข้าคราวหน้าตาเองหลวงพ่อจันสมท่านได้วีซ่ามาแล้วท่านรับใด้วีซ่ามาท่านก็เดินทางไปต่างประเทศ แต่พวกเรานี่รอวีซ่าอยู่ถ้าเมื่อใครได้รับวีซ่าแล้วก็เดินไปทีละคนกับบ้านเก่าไปต่างประเทศทีละคนละคนแต่ว่าก่อนที่จะไปนั่นนะ่ะเราได้เตรียม ส, สเบียงเดินทางไว้หรื อ, อยังอันนั้นนะจุดสําคัญถ้าเราไม่มีเงินติดกระเป๋าเราไปต่างประเทศ คิดดูให้ดีกันแล้วกันโคตไม่มีเงินไปต่างประเทศไปต่างถิ่นต่างแดนความทุกข์ทรธมทุกรธมในจิตใจจะมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าว่าพวกเราจะไปต่างประเทศมีเงินเต็มกระเป๋าจะกด ATM หรือเพชรนินจินดาที่จะนำไปขายได้เรามีพร้อม แต่เมืองปรโลกภายภาคหน้ามันแย่งกันไม่ได้นะคล้ายๆว่าชื่อชื่อสัตว์สุจริตการที่จะเบียดบงังแย่งชิงกันไม่มีในเมืองผีปุ่น ง, ง่ายๆแต่ขนาดเห็นอิจฉาคนอื่นเขาเขาได้ดีกว่าเขาดีกว่าตัวเองอิจฉาเขาท่านั้น่ะตัวเองยังตกสวรรค์เพียงอิจฉาเขา นี่ละที่จะไปขโมยไปแย่งชิงสมบัติคนของคนอื่นเขานะไม่มีในปารโลกภายภาคหน้านะบนสวรรค์มีแต่เมืองมนุษย์ของเรานะี่ชิงดีชิงเด่นกันแย่งราบแย่งยศแย่งสรรเสริญกันแย่งโลกกระทำกันไม่ใช่เอาทางชั่วนะโลกกระทำต่ำไม่เอาเอาไฟสูง ต้องการลาบต้องการยศต้องการสราเสด็ต้องการจุกหลักธรรมมันมีฝ่ายต่าและฝ่ายสูงฝ่ายต่าก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกอันนั้นไม่มีใครต้องการต้องการแต่ฝ่ายสูงเพราะนั้นแย่งกันเมืองมนุษย์ของเราแต่บนสวรรค์แล้วไม่มีการแย่งกัน ซื่อตรงซื่อสัตว์ต่อกันเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเมื่อเราจากไปบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราแล้วไปในสถานที่ใดสะดวกสบายทั้งหมดเหมือนกับคนมีเงินเดินทางไปต่างประเทศอย่างนั้นแหละแต่คนไม่มีเงินเดินออกจากบ้านนี้ก็เถอะแต่ไม่ใช่ไปต่างประเทศออกออกจากบ้านเราเนี่ย ไปแล้วเป็นรุษจะขอกินกับใค่ในเ ม, อ ม, นนเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ยังพอขอกินได้นะแต่เมืองสวรรค์นั้มันขอกันไม่ได้ในเมืองมนุษย์ยังยกมือไหว้ขอเขาขอข้าวเขากินเขาก็ยังพอให้กินนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายสัตวญาติโยมทุกคนคิดไว้ให้ดีในจุดนี้นะเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากแน้พ่อเหนื่อย แล้วก็เอาเปิดเทป MP3 ลงพ่อให้ฟังนั่งสมาธินั่นนีหน่านั่งกตดสมาธินั่งฟัง